ขอกลาโอกาสขนาสันนะสองจรินพรตอนเช้าเราอยากทำบาโซพศ ส, โสกาที่มารวมตัวกันขณะนี้เราก็มาเดินตามรอยพระพุทธองค์เป็นการเดินทางที่เป็นนมามธรรมจิตใจของเราเดินทาง เดินทางกลับมาหาธรรมชาติธรรมชาตินีรร้ใหญ่ใหญ่สุดแล้ะเนื้อกรรมตั้งปวงธรรมะธรรมชาติธรรมดาธรรมดานเดิมทีพระเจ้าคนพบส่วนมีอยู่แล้วละแต่พระเจ้าคนพบ ในโลกใบนี้มีหลายคนชาวต่างชาติที่เชื่อว่าตัวเองก็ค้นพบโดยไม่ได้ศึกษาจากตำรับตำลาโดยอยู่กับธรรมชาติจรั้งมันก็ใจสภาวะธรรมก็พูดมาเป็นภาษ า, าของไกลของเขาแต่เราฟังดูแล้วเราสัมปัสดูแล้วพูดตรงกันศาสนาพุทธมันเกิดจากบุคคล ที่มีการกระทําลงไปมีการไปปฏิการลงไปอย่างอตงต์สมเด็จสมาเจ้าก็มีการดูลมหายใจอาณาปานสติจกทันคนพบว่าความไม่ทุกข์มันมีอยู่จริงท้ายะสก้เผยแผ่ออกเผยแผ่มาจน ถึงวันสุดท้ายคนคนแรกที่เจอพระองค์ก็ได้มีการบารรลุธรรมก็คือสุพทธริภาชกมีการถามท่านรู้ธรรมใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพะพุทธองค์นะที่บรรลุธรรมใหม่ๆแล้วตอบกลับแบบมันออกมันใจว่าเราคือสยมภู จักรย์โคตรอาจจะรชอบด้วยพระองค์เองสุพธาก็แอบลิ้นหลอกแล้วก็เดินหลบไปอางทั้งท้ายสุดการพูดสุดท้ายที่เมื่อกี้เราสดารวดกันนะพระจิโมว่าจะสอนสุพตานะ่ะพอรู้ก่าว่าพระองค์จะดับกันบริญิพานใต้ต้นนางหลังคู่ก็กสือขสน ทั้งว่งทางเดินแหวกฝูงชนขอพระอ น, นุเข้าเฝ้าพระอนก็ไม่ยอมจนกระทั่งใต้สุดมนก็บอกให้เข้ า, าเข้ามาเถอะนะให้เขาเข้ามาพอเข้าไปแล้วก็สอนประโยคนี้แหละจนทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิดทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิด พอกล่าวโยกนี้ขึ้นมาตายสุดสรุปธรรมทั้งปวงมาเลยจนสุพัทาปริพาโชกฟังเข้าใจเป็นพระหลานรูปสุดท้ายก่อนที่พระองค์ใจขาดมันเกิดมีศาสนบุคคลเกิดขึ้นมาเกิดมีศาสนพิธีเกิดขึ้นมาเกิดมีสรณนะสถานเกิดขึ้นมา มันก็เกิดมาจากศาสนธรรมสิ่งที่ทำเราเป็นศัจจความจริงเป็นความจริงที่มีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไม่ยังคงเส้นคงวาอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอันนั้นก็เรียกว่าอากุศลธรรมธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ฉลาดหรือนิวรธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ฉลาดมีอะไรบ้าง ปฏิบัติเนี่ยจะต้องได้เจอพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเจอธรรมเหล่านี้นี่เวลรรมด่านกั้นจิตแม่บรรลุถึงเงาความดีจะขวางกั้นทันทีจะทําดีก็ท ำ, ทำได้ยากปฏิบัติธรรมก็ทําได้ยากเช่นถินทมิทะความ่วงเหงาหง า, หานอนขณะ น, นี้ถ้าใครเหงาหง า, หานอนกันนะถิญทมิทะ มันก็เป็นธรรมที่ทำให้เราไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วความง่วงเหงาหานอนทํามาวานง่วงนอนตอนกลางคืนก่อนหลับก็ถือว่าดีมันมีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนแต่ว่าเรารู้จักหยิบ ม, มาใช่ไหมเมื่อคืนก็ประมาณสี่สามสี่ทุ่มเสียงเอะอะาแถวนีน้ก็คงจะมีคนจอนไปจอนมาก็อยู่มาตอนกลางคืนลงเลงลงเลงอยู่แถวนี้น เวลานอนไม่นอนแต่อีกหลายส่วนก็นเงียบกิ๊บนอนหลับกั น, นก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นลน้นะของระเบียบวิ น, ยนัยที่เราจะต้องจัดระเบียบวินัยของกายของจิตหรือว่าในชุมชนก็เหมือนกันก็ต้องมีระเบียบวิ น, ยนัยผู้สันนิษฐานสอนเรื่องธรรมะกับวิ น, ยนัยชี่เรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องวินัย คำว่าศาสนาพุทธนี่เรียกกันที่หลังเดิมแท้เรียกศาสนานี้คือท ร, รมากะวิในวิในนี่มีไว้เพื่อข่มคนเก้ อ, อยากมีไว้เพื่อให้สังคมชุมชนเกิดความงดงามเพื่อให้ผู้ที่มีศีลได้อยู่อย่างผ า, าสุกพวกนี้นี่็เรียกว่าวิในมันมีอยู่ในคำบอกคำสอนคำบัญญัต หลังจากที่ทองค์งสมเด็จสัมมาจ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, น네อยู่สองคนขึ้นไปก็บัญญัติขึ้นมามีตนน้นบัญญัติต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ระบุเอาไว้ให้ผู้ที่อยู่ท้ายภายหลังได้ไปแบบตามเปิดเกิดความสงบระงับเรียบร้อยยิ่งยิงขึ้นไป จะตั้งพูดศาสนาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นขยายแผ่กว้างออกไปสู่มนุษยชาติพระวินัยก็มีไว้เปรียบเหมือนขาหนึ่งขาแล้วนะะพระธรรมก็คือธรรมชาติที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราภายอกภยในธาตุสี่กันห้า 5, รูปธรรมนามธรรมมันเป็นธรรมชาติสติสีนสมาธิสมาธัญาเนนะีณ ปัญญาต่างๆที่เป็นปัญญาสู่การพ้นทุกข์เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องอันนีนเป็นลักษณะของธรรมะที่เราควรศึกษากายวาจาใจของเรานีมันควรศึกษาคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยธรรมะที่ควรศึกษาคิดแล้วเป็นปัญญาออกจากทุกข์ได้ เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเปลี่ยนปัญญ า, ญญาสู่ความหมายของการปล่อยการวางมันวางหูวางตาวางหน้าดีๆวางไม้วางมือมันก็จะวางความคิดแต่ต้องรู้สึกตัวให้เป็นเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามต้องกลัมาหาความรู้สึกตัวมันยังมีหลักการของสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตร ก็คือสูตรที่เดินทางสู่มรรคสุพน์ขนทางเอกขนทางเดียวสู่การรู้แจ้ง <c oughs> ก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรมันจะเป็นมหาสติปัฏฐานได้ก็ต้องสติเล็กๆน้อยๆเอามาผสมกันเหมือนกับจะเป็นมหาเศรษฐีได้มหาเศรษฐีก็ต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบมีเสลึงเปินบันจบให้ครบบาทใหญ่ให้ขาด สิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก็บรรจงอย่อใจลงให้มากจะยากนานอันนี้เป็นความหมายของซัพพลยนอกที่เป็นมัตุรูปธรรมธนบัตรนี้คือเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายก็คุ้มครองให้เลยเป็นคดีอาญาทันทีถ้าฉีกทิ้งถ้าเผาทิ้งติดคุกทันทีนะิยาอาญา ก็คุ้มครองกันบบนั้นสติก็เหมือนกันสตินี่คือการที่เรากลับมาเลิกรู้กล้าวรู้สึกตัวขณะที่เราเกินไหวแต่แล้วก็เป็นปัจจุบันกระพริบตารู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวมีอาการใดๆเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมนามธรรมรู้สึกตัวโดยเฉพาะนมามธรรมนี่คือตัวคิด คิดแล้วทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาคิดแล้วทําให้เกิดความโลภขึ้นมาคิดแล้วทําให้เกิดความรักความชังขึ้นมาคิดแล้วทาให้เกิดอาการต่างๆทางจิตจนเป็นโรคจิตโรคประสาทก็มีกระทรวงสาธารณสุขรองรับวงการในไมโลกก็สนใจเรื่องตรงนี้อยู่พยายามแก้ปัญหากันอยู่ทุกที่เกิดจากความคิดชอบคิดแบบ เพ่งโทษจอบผิดเพ่งโทษจอบคิดแบบตีความเรื่องราวนิดเดียวขยายเป็นไฟลามทุ่งเรื่องนิดเดียวเลยคนขาดสติเป็นอย่างนั้นเลยคิดแบบตีความต่างๆเอาถูกเอาผิดเปรียบเทียบเหตุผลมากมายมันเกิดจากความคิดจนทั้งอัจริยกวิปลาสอยู่คู่กันระหว่างอาริยและอริยะเป็นเลิศทางด้านภาษาทางด้านกนิสสาน ทางด้านภาษาศาสตร์ทางด้านกีฬามันก็โอกาสที่เป็นบ้านียสงูงวิปลาสนีสงูงตรงนี้จึงมีวิชาพุทธศาสนารองรับศาสนาพุทธวิชาของพุทธศาสนาคือเรื่องของวิชาสามวิชาขพุทธศาสนาเนี่ยมีปัญญาด้วยวิชาสามหมายถึงอะไรก็มหมายถึงพระเจ้าน่ะสำเร็จ บุเมนิบุเพนิวาสานุสติยานอย่างรู้อดีตใกลควรทบทวนจนรู้ชัดนี่นะบุเพนิวาสานุสติยานในวันเพ็ญเดือน6กคือส้าค่ำยาม3ามปีลากาเป็นวันพุธขณะที่ยามหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดบุเพนิวาสานุสติยาน ยามที่สองนั้นมเกิดจุตุปัตยานจุตุ่ก็คืออย่างรู้การเกิดดับของชีวิตสัตว์หมู่มนุษย์ในโลกพร้อมทั้งตัวของพุทโธเองเเหมือนกับเวลาเราปฏิบัตินะบุพเพนิวารสาหมายถึงเราค่อยๆ ย, ย, ย้อนหลังไปอดีตเมื่อทิศที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหลายปีที่ผ่านมาพุทธเกิดภาพบางภาพเราก็ลืมไปแล้วน เคยทําดีทําไม่ดีนะลืมไปแล้วบุคคลเคยทําดีทําไม่ดีกับเราแล้วก็ลืมไปแล้วแต่ขณะปฏิบัติมันถูกใครเหย่าวกวนขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของบุพเพในภาษานื้อยื่ไม่ต้องพูดถึงว่าข้ามพบข้ามชาติตั้งแต่ก่อนออกมาจากท้องแม่นั้นนะมันก็ดีมันก็จริงแต่ว่าเราพูดถึงมันก็เป็นอาจินไตเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่พิสูจน์ได้คือเนะี่ยเมื่อทิฏฐิแล้วใครว่าเรามันยังคาใจค้างใจอยู่ พเราพิกเมือมันมาทันทีแหมเอ้ยแหมงเอ้ยอะไรนะมันจะกลนขึ้นมาคุขึ้นมาจากข้างในอันนี้เป็นลักษณะของไฟใต้แกลบนะไฟใต้แกลบหรือว่าไฟใต้น้ําเราคิดว่าเออแกลบข้างบนมันมันเย็นมันไม่มีความร้อนแม่น้ำนี่มันเย็นมีความร้อนหรือว่าไฟไม่ตามป่าชายเลนอย่างงี้ยมีก็เรียกว่าหนังหมา รู้จักไม้หนังหมาคือหญ้าที่มันขึ้นอยู่บนน้ำํำประกอบใต้ไมีไฟไม่เราก็ไม่รู้นะอากาศหล่ะเนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันตั้งอยู่ในชีวิตของเราประทับใจประทับใจประทับใจแตพอเรามารู้สึกตัวมันถูกเขีย่ยอันนี้ล้วนะของบุพเพนิวะสานสติญาณพอเรารู้ไปเรื่อยล่วงไปเรื่อยล่วงไปเรื่อยน ร, ร, รู้สึกตัวที่มันถูก ตีขึ้นมาตีขึ้นมามนทินเครื่องเศร้าหมองนะเป็นรน้าของกิเลส ต, ต่างๆที่มันนอนเนื่องอยู่ในกำมัสันดานะเราเห็นการเกิดดับขึ้นมากระบวนการเกิดดับขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้นี่ไอ้ตัวนี้คือจูตุ ป, ปัตยานนะเป็นหน้าของวิชาสามนะที่พูดไปใน2เรื่องนะนะอีกอันก็คืออาสวัคยายานะ เหมือนกับปวีณา ก, กำหนดเหมือนกันให้เป็นล้นะของอาสวะ ก, กิเลยทั้งหลายที่มีในชุมชนให้มันหายไปกำหนดกันมาเป็นปวนัยเหมือนกันเป็นข้อควบคุมกำหนดกำกับจนกระทั้งเป็นนิตินัยของสังคมก็ตามเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติที่เป็นความดีความงามเพื่อไปสู่ความจริงต่อไปเพราะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวมันเข้าสู่สภาวะของความจริง อะไรเกิดขึ้นมาขนาดนั้นนั่นซ้อนซ้อนขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมีอยู่ในตัวเราตามเหตุตามบาดใจได้แสดงออกตามบนญธรรมกํามแตนปุบเพนะโสปุบเพกตาเหตุสุขทุกข์ขังนิขัดจติปุหังขังกระตังปาปังตามเมมุตะเจยินังมีคําพูดคํากล่าวไว้นะตามเมโสก็หมายถึงลักษณะของ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยนะขณะปฏิบัติจะมีสุขทุกข์จะแสดงออกมาเช่นปฏิบัติแล้วสงบหรือบางทีนึกถึงความดีของพ่อของแม่ขอ ง, ของปูชนียบุคคลคุณงามความดีของพระองค์พรธคุณอย่างเงี้ยนะทำมคุณสังคคุณมันเราเลือกนึกถึงขึ้นมามันเป็นรอยดีในใจของเราเรียกว่าบุญเลนะ ลอยบนก็แสดงให้เราอ่านเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หลับหายไปครับเปลี่ยนไปตามสภาวะของเหตุปัจจัยที่เราเคยทำนะตะเมโสปุปเพไกตุหมายถึงว่าขณะนี้ไม่ว่าอาการต่างๆเป็นบุญเกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นบาปเกิดขึ้นมาเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเคยทํากรรมดีกรรมชั่วในการเก่า ทำกรรมมาไว้พอเราเปฏิบัติกรรมฐานการดีกรรมช่วยแสดงออกมาให้เราได้อ่านสภาวะของสติตาไในก็ดูปัญญามันก็ได้คำตอบได้ข้อสรุปเวลาอ่านต้องอ่านแบบจิตใจจดจ่อตั้งมัน่นแล้วธรรมะวิเชยะธรรมะวิชย ะ, นะรระนะตานในเราสอดส่องทมในตัวรูปธรรมนามธรรมอาการต่างๆของรูปของนามแสดงออกมาฉายขึ้นมา เมื่อเราได้อ่านดูแล้วเราก็ได้เห็นออกนี่คือสมาธิมันอ่านอาการเครื่องระรึกรู้ตัวรู้มันเห็นความรู้สึกตัวคุณธรรมต่างๆหรือว่าอารรถรสธรรมต่างๆมันแสดงออกมันก็เป็นความรู้สึกตัวตอนมีอาการตั้งแต่หัวจรดเท้าของรูปธรรมนามธรรมแสดงออกมามันก็รู้สึกตัวแต่ส่วนทีเกิดปัญญาขึ้นมา ตลอดดูซ้ําๆดูซ้ําๆเกิดปัญญาขึ้นมาเราเห็นแล้วโอ้อาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป้็เรื่อพระไตรลักษณ์นี่แสดงออกมาให้เราได้สัมผัสสดจ่อความจริงไม่ต้องไปดูคนอื่นดูที่ตัวเรานี่เองนีมันเป็นเรื่องของอะไรกันแน่ธรรมะเรื่องคนอื่นอย่างนั้นเหรือ เ, เรื่องของพระเจ้ากูบาจายัางงั้นเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานี่แหละที่ต้องฝึกตนสอนตน เราก็จะได้เห็นอาการต่างๆที่มปรากฏขึ้นมาตามความเป็นจริงเรยว่าสัจธรรมอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเรียกว่าอาการเมื่อสองวันก่อนถ้าใครได้ฟังหลวงพ่ อ, อเขียนหลวงพ่อจะพูดถึงการที่เราไม่ให้ค่าในอาการต่างๆความคิดหรือว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้ได้ให้ค่ามันใหญ่มากจะเป็นบุคคลเป็นอะไรก็ตามลองชมนะคนนะลูกลนะลองไปชมเขานะเก่งลูก เวลาเขาล้มก็เดินไม่ได้นะโอ้ยตบมือให้เก่งๆก็จะฮึดขึ้นมาเลยนะหรือว่า <c oughs> เพิ่งทํางานชิ้นแรกหุขงขา้าก็ไม่เป็นสักผ้าก็ไม่เป็นกําลังฝึกหัดเหมือนกับที่เราเคยฝึกเคยหัดพ่อแม่เคยสอนเราผู้รู้เคยสอนเราจะแล้วพอกระทามันก็ไม่ค่อยก่อท่าอะไร แต่ว่าให้กําลังใจกันก็ต้องบอกโอ้ยเก่งรูปเก่งกกรูปก็จะฮึกโหมก็ทันทีทันั้นโอ้ยังไม่ใช่มืออาชีพอย่างเง้ยนะตรงนี้เราก็จะได้เห็นถ้าให้ค่าปั๊บมันจะมีกําลังขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาความห่วงเหงาเหงานอนนี่เวลาทำมีความหังเลสงสัยมีความฟุ้งซ่านมีกราร ม, มีพยาบาทถ้าไปให้ค่าปั๊บให้ราคา ราคาเกิดแก่มันก็ใหญ่ทันทีเพรา ะ, ะนั้นจึงดูเฉยๆไม่ให้ค่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ค่าได้ก็ต้องไม่ใส่ความคิดลงไปเราก็จึงจำเป็นจะต้องสัมผัสกับความคิดนี่คือความรู้สึกที่กายนี่คือความรู้สึกที่คิดแยกตรงนี้ก่อนอันนี้คือความคิดที่มันรู้ไม่ค่อยทันจะกระทั่งเป็นอารมณ์ไปแล้วอันนี้ความคิดที่เราเริ่มรู้ทันท้ายท้ายสุดเกือบจบแล้ว อันนี้เป็นความคิดที่มันคิดมากลางๆแล้วก็ดับลงไปเพราะความคิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆเท่านั้นนะนะอย่างผมเลือด ม, มาเนี่มีความคิดอยู่เรื่องเดียวมาบวชเนี่ยก็คือเมียมีชู้เมีย ม, มีชู้สงสัยมั็นโทนได้ไหวแล้วมั่งมีชู้สงสัยมันเรียบร้อยไปแล้วมันคิดอยู่แต่เรื่องตรงนีน้ทำไงยกมือได้ไหมยกมือปั๊บมานั่นดีภาพมาทันดี เดินยู่กมเนี่ยมาทันทีแล้วเวลาคิดทีไรนะมันโมโหเลยเฮ้ยมันเฮ้ยอยู่ข้างในแล้วโมโหนะอันนี้หมายถึงสภาวะข้างในที่มันเป็นอารมณ์ที่เราตกค้างมันจะตีขึ้นมาเลยะไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ปัจจุบันที่เราเราอยู่สองคนขึ้นไปและขาดภาวิในนะมันจะมีการจับผิดเพ่งโทษจากบุคคลอื่นแล้วก็มันรู้มันรู้ไม่จริงมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันที ถ้ามันรู้แล้วรู้จริง ses, เราจะให้ความเคารพทันทีรู้ว่าเป็นผู้ที่มีศีลไข้ควรแล้วติเต ok ียนเราโดยศีลได้หรือไม่เราจะฟังทันทีแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วมาเตือนกันเนี้ยเราก็อืมดูก็ดูก็ทําดูเขาท ำ, าทำแล้วเราก็มาดูเราทําอ๋อเราไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อเราไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เทียบเคียงทันทีแล้วก็รู้อันนี้คืออันตรานเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันวันนี้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามงจะเปลี่ยนอยู <answer imizi> ่ อะไรเงนวันนี้เปลี่ยนได้ได้เรื่องหน้ามันคงจะเปลี่ยนอยู่แล้ววันนี้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวโอกาสหน้ามัคงจะเปลี่ยนอยู่แล้ ว, วนะ เ, เอามาถึงเวลามันไม่เปลี่ยนใช่ไหมซัดเลยก็เนี้ยให้เวลาเต็มที่แล้วหนึ่งสองสามนี่นก็จะเป็นอย่างนั้นมันเราจะเห็นในตัวเราเกี่ยวข้องกับภายนอกภายนอกมาเกี่ยวข้องกับตัวเราและตัวเราเกี่ยวข้องกับตัวเราเหมือนกับเวลาเราคิดเรื่องเสพการมอย่างเงี้ยนะเสพการ มันทั้งคิดนะแคมปว่าเสตุการณเนะี่ยมันคิดนะโด้ ว, ว่าเรื่องการอ า, นะารมณ์นะการอารมณ์เกี่ยวเรื่องเพศกับเพศเนะีนะ่ยอันนี้ไม่ทั้งคิดมันก็ปรลาดชิกอย่างเงี้ย น, นะนะขนาดเป็นรอยในความคิดในจิตของเรานะมันเป็นน้าของความไม่รู้สึกตัวแค่คิดนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าลงมือทานะนะเพราะนั้นเรื่องหน้ของความรู้สึกตัวนะ่ยมันควบคุมภาวิณีทุกบทเลย ตั้งแต่ปราชิกสังขารที่เศษหรือว่าอีกหลายจนทั้งมาถึงทุกกฎจนทั้งถึงไม่ได้มาในปาติโมก็ตามมันจะควบคุมหมดเลยรู้สึกตัวนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็คือเศนนั่นเองเพราะนั้นศีนปรากฏทุกครั้งที่เรารู้สึกอยู่กับปัจจุบันที่การเคลื่อนไหวของกายมันจะเกิดวินัยที่กายเกิดวินัยที่วาจา เกิดวินัยที่จิตใจของเราอันนี้เขาเรียกว่าพระอภิธรรมพระสูตรและพระวินัยเป็นพระไตรปิฎกที่มีอยู่จํานวน8ปดหมี่พันพระธรรมคัณเป็น่อของกายวาจาใจเป็นเรื่องของกายอยู่สองหมี่พันพระธรรมคัณเรื่องของวาจาสี่หมืนสองหมืี่พันพระธรรมคัณเรื่องของจิตใจนี้สี่หมื่นทลายสี่หมื่นสี่พันพระธรรมคัณ ขอไปรวมแลใหได้รวมแลใ ห, ไ ด, ลใหได้8ป0 0มพันมันเท่ากับเท่าไหร่ก็หมายถึงว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกนะด้านหลังที่เรานะเห็นกันอยูนะ่อยู่ด้านหลังนะตูวข้างวัตถุรูป ม, นะมันก็มาจากนะความเชื่อของชาวพุทธนะประเทศไทยที่รับมาจากศรีลังกาฉนะบับเดิมก็จะเขียนอยู่ที่วัดโอโลกาวิหาร ประเทศศีรังกายกำหนดเอาไว้ให้เป็นเรื่องของพระวินัยหรือว่าภัยพิธรรมหรือว่าพระสูตรกายวิชายใจ ม, มีอยู่จำนวนเท่าไหร่จำไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่าน้อยของเราเยอะเลยสอง7 9นสนบหน้าครั้งหนึ่งเคยไปดูร่องรอยว่า พระธรรมนะที่เขาจารึกในใบลานประเทศไทยที่เขาเขียนกันมานะเนี่ยก็เขียนอย่างไรก็ทําอย่างไรกันต้นแหล่งที่วัดอโหรกาวิหารนะก็มีโอกาสไปกับคณะสงฆ์รับวัดป่าสุกตอในครั้งนั้นหรูปพอไปแล้วเราก็ได้เห็นน้องออลองลอยที่เรามีอยู่มามาจากจุดๆนี้ตรงนี้ตรงนี้นาะนะทีสำคัญที่สุดก็คือที่เรามาปฏิบัติกันอยู่นะมันมีอยู่ด้วย เรื่องของการพลิกมือสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนมือสร้างจังหวะการเดินชงกลมมันก็เปอยู่ในพัตติวิโดด้วยเราก็เลยได้เห็นแล้วนะของธรรมะทีมีิวภายนอกที่เป็นความเชื่อของบรรพบุรุษแล้วก็บอกบอกต่อๆกันไปทั้งจดทั้งจำํำจนทางมาถึงวันนี้เป็นการกระทําของเราศาสนธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องทําเราก็ทํามาจากการได้ยินได้ฟังศรัทธาเริ่มใส่ในตัวครูบาอาจารย์หรือว่า มีความศรัทธาเรื่มใสในศาสนาในตัวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพเจ้าแม้กระทั่งเราไม่ได้พบกระตามตัวเป็นๆ 2,000 ป, ป, ปีผ่านไปแต่ยังมีร่องรอยคำบอกคำสอนคำชี้คำนำหรือว่าหลวงปู่เทียนอย่างเงี้ยนะถึงท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ว่าเสียงของท่านก็ยังอยู่ประโยคที่ท่านใช้สอนคนในยุคนั้นยุคนี้มีการสืบทอด พิมพ่มไปเน้นสือส่อสื่อซีดีหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนอยู่ยุคเดียวกันเมื่อท่านได้ยินได้ฟังได้จดได้จําได้เห็นแล้วท่านประทับใจก็มาเล่าต่อสู่กันฟังหลวงพ่อเขียนเคยไลฟ์ฟังว่าอย่างนะี้นะเคยเจอกับหลวงปู่เทียนหลวงพ่อเขียนอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอยากรู้เรื่องรูปธรรมนามธรรม ขับมอตรไซ์ไปนั่งมอเตรไซน์ไปจากบ้านไปที่จังหวัดเลยเสร็จแล้วพอไปถึงไม่มีกุฏิสล า, าอยู่อะกะอุษาเอาใบยางมามงุงแล้วก็นอนเอาแกลของชา บ, บ้านมาตัวหนึ่งอาศัยอยู่แบบนั้นนะการ น, นี้ระหว่างที่ ไปอยู่1ิบวันแรกเนะี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไปสนใจตัวครูบาอาจารย์ดูปฏิปทาของท่านดูจริยวัฒของท่านท่านนอนกี่โมงตื่นกี่โมงท่านใช้ชีวิตอย่างไรอย่างงี้นะพอมีแขกมาก็คอยเสิร์ฟน้ำคอยม้วนเสือ่อท้ายสุดประมาณ10วันนะมีเนนมาถามอ้ยอายอ า, ยอาย ไอ้มาอยู่หลายวันแล้วไอ้รู้เรื่องรูปนามแล้วบ่หลวงพ่อเขียนก็บอกว่ายัางยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมันเสียวเวลาเนีนมาไม่กี่วันนะรู้แล้วเรื่องรูปธรรมนามานะรรมหลวงพ่อกำเขียนก็โอ้เนีนมาคุยวัดกระดานนี้เหล่านี้มันมีเคาะมีเวรมีภัยอย่างไงนาะมีบาปมีกรรมอย่างไงนาะ ปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องอะไรครับว่ารูปทํรนามธรายังไงก็ไม่รู้เลยก็เดินไปหาหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนก็จับตัวเขย่าเลยแล้วถามว่ารู้สึกตัวไหมเนะี่ยหลวงพอ่อเขียนก็บอกรู้ครับเออเนี่ยไปทําอย่างงี้นะให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวหลวงพ่อครับมีไหมคนที่ทําแล้วไม่รู้ไม่มีคนที่ทําแล้ว ไ, ไม่รู้อะไรไม่มีเอา องี้ไปทำอย่างงี้นะไปนั่งสร้างจังหวะถ้าหนึ่งเดือนไม่รู้อะไรนะี่หลวงพ่อจะจ่ายตังค์ให้เคยมีอาชีพเคยทำงานทำการมาได้เดือนละกี่พันหลวงพ่อเขียนว้วบอกเดือนละพันครับประมาณสี่สิบกับห้าสิปีที่แล้วเดือนละพันนะออาถ้าทำไม่รู้นี่หลวงพ่อจะจ่ายตังค์ให้หนึ่งเดือนก็หนึ่งพันสามเดือนก็สามพัน ให้ไปทำอย่างนี้นะเคลื่อนมือสร้างจังหวะเดินจนกลมนะอย่างอื่นไม่รับรองอย่างอื่นไม่สนใจแต่จะทำอย่างเนี้ยรับประกันหลวงพ่อก็เลยกลับไปทำทำต่อได้อีกส1บเวันปรากฏสภาวะรูปนามมันแตกขึ้นไปแตกขึ้นไปคำพูดของหลวงพูทเทียนก็คือย้ำให้ไปทำอย่างนี้นะ น, น, นพลิกมือรู้สึกตัวนะย้า หลวงพ่อเขียนถ้านเล่าห้ฟังเราก็โอ้โหเราก็เลือกมาที่นี่แล้วเลือกมาที่จะรู้สึกตัวโดวยการเคลื่อนการไหวไม่ได้มาแบบไม่รู้อะไรสเปนสปามาไม่รู้จักวัดในเมืองไทยมีขี่วัดสายไหนสอนอะไรไม่ใช่ไม่ไมรู้รู้ชัดแต่ชอบยุบหนอ่งพองหนอเราต้องเลือกไปสายหนอใช่ไหมสายเยเ อ, อ, อะไรล่ะ สายหลวงพ่อจันลันนั่งเดินยืนนอนน้องเงี้ยคุณแม่ศิริดังถ้าพุโทโธก็ต้งนอนวัดข้างๆบ้านก็มีพุโทโธจังหวัดระยองธรรมสถิตสายหลวงปู่ชาหลายสายหลวงพ่อมั่นหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ชามีสายหลวงปู่สิมมันก็มีอยู่ างานปฏิบัติในประเทศไทยที่ก็บอกถึงวิธีการรูปแบบชัดเจนต้องการดูอาณาปานสติก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกโดยไม่มีคำบริกรรมก็ต้องส่วนโมกชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานนะีอาจารย์วุทธทาสนะแต่ถ้าเจริสติแนวเคลื่อนไหวสิบส่หลวงปู่เทียนหลวงปู่เทีย น, นนี้หลวงปู่เทียนตายไปแล้วอ่ะจะไปทําเมืองขวัญก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นระดับหา ง, หาง เราก็ไม่ไปเราก็เลือกหลวงพ่เเอเขียนนะสมมติให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วท่านอยู่ที่นี่ก็มาที่นี่มันก็ชัดเจนนะเมื่อมาที่นี่คืออาจารย์คนคนนี้สอนเราเราก็ฟังให้ทําอะไรเราก็ทำํำเราเดินตามรอยเราไม่ได้เดินเหยียบรอยเสร็จแล้วท่านบอกว่าสงสินไปอยู่สุกโตนะรตะรู้สึกตัวเจริญสติเราก็ฟังท่านบอกให้มาสุกโตหลังจากบวชได้สามวัน เดินจงกลมอยู่ที่วัดภูเขาทองทันแม่อยู่ที่นั่นทันบอกมาอยู่สุกโตก็มาอยู่ที่เนี่ยประมาณเข้าสิบสี่ปีสิบสี่ปีปีนี้ก็เห็นว่าความรู้สึกตัวมันช่วยได้จริงถ้าช่วยไม่ได้มาล้อนผ้าเหลืองหนีไปได้แล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะอยู่ที่เนี่ยเพราะที่นี่คร อ, อยู่แบบไม่ต้องมีระเบียบวินัยอะไรทั้งหมดให้มีความรู้สึกตัวมันเป็นพวิัยทั้งหมดทำมาจะปรากฏขึ้นมาถ้ามีความรู้สึกตัว เพราะที่นี้จะไม่ได้มีคนทรงวินัยอยู่ทรงวินัยหมายถึงว่าท่องพระไตรปิฎกท่องปฏิโมกข์แบบภาษาบาลีได้ครบทุกตัวอักษรไม่มนะีความทรงจำไม่ต้องจะมาอ่านปฏิโมกกันเนี่ยต้องใช้หนังสืออ่านถึงจะอ่านความหมายได้ถูกต้องครบทั้งหมดถ้าทรงจํามันก็จําไม่ได้ยกเว้นอาจารย์ไปสารเจ้าว่วาจดนะจะจำได้แต่จะจําได้แต่ก็ต้องมีหนังสือทบทวนอยู่ แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพภาวนยที่เราจะเห็นความเป็นปกติปรากฏศีลปรากฏความเป็นปกติปรากฏมันมีอยู่แล้วในตัวเราอย่างนั้นนะเอาตอนนี้พูดเกินมาสองนาทีตามข้อตกลงกันไว้มีคณะสองบอกให้พูดประมาณ30สนาทียเมื่อวานอาจารย์มสมใจพูดเออเกินมาประมาณสิบห้นาทีก็โดนโจดเหมือนกันคือมีการพูดว่าเดี๋ยวจะตั้ง อาิกรนะคือประชุมสองว่าทำไมพูดเกินทำให้หลายคนลำบากบางคนต้องไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะเฟซบุ Facebook, นะ๊กเวลานี้เวลาส่งบางคนต้องบอกว่าไปเตรียมบินาบาทซึ่งเราก็รู้ว่าทํามาไฟหวานเนี่ยมันประมาณตีห้าสี่สิห้าถึงห้าสิบนาทีถ้าเป็นลักษณะของ บันใหม่นี่หกโมงเป็นต้นไปถ้าหน้าหนาวนี่หกโมงกับสิบห้านาทีออกได้หกโมงยังมันตื๊ดตื๊อยู่เลยเราก็รู้เวลาชัดนะและอย่างนะเวลาเทศแล้วใครเดินลงมาเนะี่ยถือว่าไม่กตุภธรรมเลยสักคนให้รู้ไว้ชุชนนี้ให้รับทราบกันไปเลยนะย่ะเว้นคนป่วยท้องเสียจริงๆให้รับทราบไว้เลยแต่วันนี้มันไปว่าใครที่เดินขึ้ น, เ ด, น, เ, ดนเดินลงเปนตัวสอบอารมณ์อย่างดีเลย สอนหลวงพวกเราแต่ให้รู้ว่าคนคนนั้นนะขาดระเบียบ ว, วินัยอย่างมากขาดธรรมะอย่างมากให้รู้ให้ชัดนะชุมชนเนี้ยชีย้ให้เลยรับผิดชอบด้วยคําพูดแล้วก็อย่างเมื่อวานนยการเทศเกิดขึ้นมาจำวิชัยยาเทศได้ไหมเมื่อวานเห็นไหมมีเด็กมาพูดคุยใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่งดงามเลยฮะอ่านมาก็สังเกตครูบาอาจารย์มาสิบสี่ปีนะเราไม่ได้อยู่ธรรมดาธราเราอยู่แบบสังเกตเขาสังเกตเราดูเขาดูเราหลวงพ่อเทศเนี้ย ถ้ามีการเคลื่อนตัวปั๊บอะไรปั๊บเนี่ยสภาว่าทำเปลี่ยนทันทีเรากําลังฟังแหมอารมณ์นี้เราก็เจออารมณ์นี้เราก็เจออารมณ์นี้เราอยากรู้อีกนิดนึงมันเป็นอะไรเงี้ยท่านเปลี่ยนคําพูดทันทีองเงี้ยแล้วแม่มันเสียดายอะกำลังจะเรียนบทต่อไปหน้าต่อไปแบบฝึกหัดดู ก, กายแลย้วเวทนากำลังจะมาแล้วจิตกําลังจะพูดถึงแล้วทำมากําลังแหมกําลังอร่อยอะไรฟังะดันมาล้มโครมอะไร พลิกโตลมโตอย่างเงี้ยเราฟังมาแม่เพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยนะเนื่งเราจะไม่ทําให้ชุมชนวุ่นวายลุกปั๊บเพื่อนเสียสมาธิอย่างเมื่อกี้พระเดินไปรูปนะไม่รู้ว่ารูปไหนก่อนหน้าแม่ชีเดินลงไปใช่ทั้งหมดนะพวกนะีบอกไว้ได้เลยถ้าเราจะประชุมกันในแง่ของประชุมสงฆ์นะนะอาการพวกนี้มันใช่หมดอนะเอามาพูดกันเลยอธิการตั้งได้หมดอนะ่ะปรับอาบัติกันได้หมดเลย แต่เราไม่พูดว่าเราให้โอกาสกันทุกครั้งอย่างเนี้ยเพราะนั้นทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดแต่ขอให้เป็นความรู้สึกตัวและไขควรดีๆทบทวนดีๆถูกผิดเป็นยังไงโยนนิสโสมนิจการให้เอามาใช้มีหลายมุมมากถ้าเรารีบสรุปนะมันก็หมายถึงว่าสอบตกอีกเขาต้องเปิดโอกาสเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะหลวงปู่เทียนพูดไว้ชัดให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิด จุดนี้คือจุดปฏิบัติทาเป็นหรือเปล่านีแล้วก็รูปแบบปฏิบัติในีชัดเจนเลยนะเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะทําไมต้องรูปแบบทําไมก็เหมือนกับคอนเกรดอะเวลามันเหลวอะถ้าไม่มีแบบจะขึ้นรูปได้ไหมมันจะทําประโยชน์ได้ไหมไม่ยังานปั้นงานปั้นนิชามากแต่ถ้ามีแบบน่ยรวดเร็วแล้วก็มาตรฐานเกิดขึ้นมาให้เวลาเขานิดหนึ่งเขาเซตตัวแล้วก็บ่มเองสักประมาณ21วัน มันจะแข็งและวก็รับแรงได้ใจของเราเนี่ยมันไหลเหมือนกับ น, น้ําเลยนะเหลวไหลใจคนนะเพราะฉะนั้นต้องมีรูปแบบของการฝึกเมื่อเราเคลื่อนมือรู้สึกตัวเคลื่อนมือรู้สึกตัวเดินโยกคนรู้สึกตัวเนะให้เวลาเขาหน่อยจิตจะเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาพอมันตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาปั๊บเนี่ยตรงนั้นมันจะสอดส่องทำอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเนะี่ยมันจะอ่านออกมาเป็นสัมผัยัญ ญ, ญาเป็นปัญญา มันจะเห็นความจริงเห็นความจริงเ้าเรียกว่าสัจจะความจริงสัจธรรมเราก็จึงตง้องตรงประเด็นนะตรงประเด็นดูดีๆตาดีได้ตาลายเสียงานนะดนั้นให้เราได้มาเหมือนกับว่ามาแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าสูงสุดเข้าเมืองตาเหลวๆตาตามตกระไดปากกระจรเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องการไปฏิธรรมมชัดเจนจริงๆรูปแบบการฝึกการหันแต่พอมันเกิดการปล่อยไว้จริงแล้วหมายถึงว่ามีสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัตินะ กเกิดเป็นอัตโนมัติขึ้นมาอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็จะทําอะไรก็ทำไปมันไม่ทูกหรอกตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันนี้เป็นสัมนวนจริงๆตกน้ําก็ไหลตกไฟก็ไม่หน่ะแต่ว่าใจเราไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนั้นมันมีอยู่จริงๆิ น, นทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดสมยอดมีสมีทุกอันนี้มันจะเกิดอาการไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วเกิดระเบียบวินัยขึ้นไหมถกเถียงกันด้วยเหตุผลด้วยสติด้วยปัญญามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าอืม ปรับสมดุลขึ้นมาระหว่างนะความไม่เข้าอกเข้าใจมันจะเป็นความเข้าใจแล้วก็ยอมรับหลักการและเหตุผลเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ด้วยความผาสุกนี้โดยการที่ทุกคนมีความรู้สึกตัวกันหนังการเดินการยืนการนอนกลับมาหาตัวเราเองดูตัวเองสอนตัวเองบอกกับตัวเองอบรมบ่มนิสัยจนกระทั่งมีการเดินทางจริงๆอท้ายสุดนี้ก็ขอให้พวกเราที่อยู่ปฏิบัติทำก็มีแต่ความผาสุกแล้วก็ มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมตามสมควรแก่การปวบัตรริโดยตัวนาการทุกท่านทุกคนนั้นเถิด